เมียผมเธอกำลังแพ้ท้องเธออยากกินปลาผมจึงต้องเล่นเรือออกทะเลทุกวันป่าปั่นคื้นโลภยุละผ่านกะแสน้ำร้อนกะแสน้ำเย็นเมียจ้า่อหยุดนี่ดีกว่าซีเลกทูน่าให้เนื้อนุ่มกลมกลมรับประทานได้ทันทีไม่ต้องปุง้งไม่ต้องออกไปล่าฟรีเลกทูน่ากินปลาได้บ่อย่านไรทุกวัน